วิธีให้สุดทันตะปริวาสภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงให้สุดทันตะปริวาส อ, วาอย่างนี้แลสงฆ์พึงให้ปริวาสอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงให้สุดทันตะปริวาสอย่างไรเล่าภิกษุไม่รู้ที่สุดอาบัติไม่รู้ที่สุดราตรีระลึกที่สุดอาบัตไม่ได้ ระลึกที่สุดราตรีไม่ได้ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัตไม่แน่ใจในที่สุดราตรีสงพึงให้สุดทันตะปริวาสภิกษุรู้ที่สุดอาบัตแต่ไม่รู้ที่สุดราตรีระลึกที่สุดอาบัตได้แต่ระลึกที่สุดราตรีไม่ได้แน่ใจในที่สุดอาบัตแต่ไม่แน่ใจในที่สุดราตรีสง พึงให้สุดทันตะปริวาสภิกษุรู้ที่สุดอาบัตบางส่วนไม่รู้บางส่วนไม่รู้ที่สุดราตรีระลึกที่สุดอาบัตบางส่วนได้ระลึกบางส่วนไม่ได้ระลึกที่สุดราตรีไม่ได้ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัตบางส่วนแน่ใจในที่สุดอาบัตบางส่วนไม่แน่ใจในที่สุดราตรี สงพึงให้สุดทันตะปริวาสภิกษุไม่รู้ที่สุดอาบัติรู้ที่สุดราตรีบางส่วนไม่รู้บางส่วนระลึกที่สุดอาบัติไม่ได้ระลึกที่สุดราตรีบางส่วนได้ระลึกบางส่วนไม่ได้ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัติไม่แน่ใจในที่สุดราตรีบางส่วนแน่ใจในบางส่วนสง พึงให้สุดทันตะปริวาสภิกษ yes ุรู้ที่สุดอาบัตรู้ที่สุดราตรีบางส่วนไม่รู้บางส่วนระลึกที่สุดอาบัตได้ระลึกที่สุดราตรีบางส่วนได้ระลึกบางส่วนไม่ได้แน่ใจในที่สุดอาบัตไม่แน่ใจในที่สุดราตรีบางส่วนแน่ mm, ใจในบางส่วนสงพึงให้สุดทันตะปริวาส ภิกษุรู้ที่สุดอาบัตบางส่วนไม่รู้บางส่วนรู้ที่สุดราตรีบางส่วนไม่รู้บางส่วนระลึกที่สุดอาบัตบางส่วนได้ระลึกบางส่วนไม่ได้ระลึกที่สุดราตรีบางส่วนได้ระลึกบางส่วนไม่ได้ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัตบางส่วนแน่ใจในบางส่วนไม่แน่ใจในที่สุดราตรีบางส่วนแน่ใจในบางส่วน สงพึงให้สุดทันตปริวาสภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สุดทันตปริวาสอย่างนี้แล